พากันตั้งใจรวมใจของตนให้ดีใจมันจะตั้งลงได้ก็ อ, อาศัยสติความระลึกได้ถือระลึกเข้ามาหากายหาใจอย่าระลึกไปทางอื่น เนี่ยการที่ใจมันจะตั้งลงดใดอาศัยความระลึกนี่มันมันอยู่กับใจหมายเขาว่าไงนะไม่ส่งความระลึกออกไปข้างนอกสติก็อยู่ที่ใจนั่นะความจริงนะเพอาใจเป็นผู้ระลึกขึ้นแต่แลราท่านก็บญญัติว่าสติแต่เมื่อมันระลึกขึ้นแล้วมัน ส่งออกไปข้างนอกนู่นมันเลยกลายเป็นสัญญาไปแบบนี้ถ้าระลึกอยู่ภายในไม่ส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ตั้งอยู่ภายในนั่นไม่คิดสายไปนี่สติสำคัญมากทีเดียวอ่ะ <c oughs> สติเตส่งนิวารณังสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสะจิตไม่ให้ไหลไปในทางต่ำอุปมาเหมือนอย่างทํานกสำหรับกั้นน้ำให้มันไหลเอ่อไปสู่สวนสุนาที่ต้องการ ธรรมดาน้ำนี่มันก็ชอบไหลไปในทางต่ำอยู่อย่างนั้นที่สูงมันไปไม่ได้ต่ำตรงไหนมันก็ไหลไปตรงนั่นเหมือนกันกับกระแสะความคิดลึกของคนเราเมื่อไม่ได้มีสติควบคุมหรือไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจแล้ว มีแต่มันคิดต่ําไปเรื่อยๆจะคิดสูงขึ้นไปไม่มีเพราะมันตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสอันกิเลสนี่มันมีแต่จูงให้คิดต่ำไปเรื่อยๆถ้าเป็นนักบวชมันก็จูงให้คิดอยากจะสืบออกไปไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีเมียมีลกูก มีลาภมียศลยทํานองนั้นเนี่ยถ้าเป็นคอหัอันี้มันกดจูงให้คิดไปในทางที่เป็นโทษต่งางๆคิดไปอยากจะไปฆ่าตัดตัดชีวิตคิดอยากจะไปข่อโกงหลอกลวง เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนคิดแฉไปหาเมียคนอื่นผัวคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วไปหลอกลวงหญิงอื่นชายอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วในทางประเวณีชอบอยากจะใช้คำพูด โกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียสินชอบอยากจะไปดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาต่างๆนอกจากสุราเมีไยแล้วก็กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบริเป็นของเสพติดให้โทษถ้าผู้ใดประพฤติไปอย่างว่านี่ ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสจิตตกตำ่ำจิตนั้นไม่เป็นบุญเป็นกุศลจิตไม่น้อมไปในทางบุญกุศลจิตน้อมไปในทางบาปเรื่องนั้น พ, พระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึ ก, กจิตนี้เนี่ยเมื่อฝึกได้แล้ว มันจะไม่ไหลไปทางต่ำดังกล่าวมานั้นมันจะมีแต่ความนึกคิดขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยการฝึกทีแรกนี่ฝึกให้มันสงบนี่แหละสำคัญนะให้มันละอารมณ์ภายนอกนะกรรมฐานมันก็อยู่ภายในนี่อยู่ภายในนี่หมดแหละกรรมฐาน มีแต่กระสินในชาญเท่านั้นแหละที่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าผู้จะเพ่งกระสินต้องไปสู่ที่สงบสงัดแล้วก็เอาดินมานปัน้นเป็นวงกลมทำเป็นแบนแล้วทำเป็นวงกลมตากให้แห้งแล้วก็เอาไปตั้งไว้ต่อหน้าแล้วเพ่ง เพ่งเอาจนมันติดตาติดใจนู่นเพ่งวงกสินอันนั้นอัอ น, นันเรีว่าเพ่งกสินเพื่อฝึกกระแสจิตหรือว่าฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันกล้าหาญให้มันเกิดอิทธิฤทธิขึ้นมาหรือมันเกิดฌานเกิดแสงสว่า์นั่นแหละ แต่ว่ายากยากนักที่บุคคลจะทำได้ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าในเรื่องฌานนี่จริงๆจึงสามารถทำได้เช่นอย่างที่พวกฤาษีดาบท่านนี่ยนนพวกปรารถนาที่จะให้ได้ฌานสมาบัติเหล่านี้ ก็จึงนี้ไปสู่ป่าเขาลมเนาภัยนู่นฉันผลละไม้แทนข้าวเอาแต่ละวันแต่ละเวลามิต่นั่งเพ่งอยู่อย่างนั้นปัณญานชาญมันถึงเกิดขึ้นให้ได้แต่พระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นตั้งแต่ท่านสร้างบา ร, รมีมาแต่ชาติก่อนนู่น ท่านก็เคยออกบดเป็นลือศีเคยเพ่งกสินชาญนี่มาแล้วเคยได้บรรลุฌานสมาบัติแปดนี่มาแต่ชาติก่อนหนหลังนูน่นมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาพอมาเกิดชาติสุดท้ายได้ฟังได้ฟังคำสอนของพระศาสดา แล้วบำเพ็ญไปได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษพร้อมด้วยอภิญญาหกหรือว่าพร้อมด้วยวิชาสามอะไรโมนี้แหละพร้อมด้วยจตุปฏิสัมพิทายาน4ี่โมนี้เรีวยกว่าท่านผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติอันเป็นส่วนโลกีมาแต่ชาติก่อนหนนหลังนูน่น เมื่อมาได้ฟังธทรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลแล้วย่อมมีอิทธิฤทธิ์หลายอย่างนี่แหละจิตใจอันเนี้ยถ้าฝึกเข้าไปจริงจังเข้าไปแล้วมันก็เกิดอนุภาพขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีความสามารถถึงอย่างนั้น ก็มาเพียนพยายามเพ่งจิตนี้ให้มันสงบอยู่ภายในให้นิวรณ์ห้ามันดับลงไปเนื้อจิตนี้รวมเป็นหนึ่งมีสติสมัชยญเนรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปส่งออกไปข้างนอกก็ยังนับว่าเป็นบาตรของวิปัสสนาได้อยู่ไม่ถึงกับได้บรรลุฌานสมาบัต จะขอให้จิตนี้สงบนิวรณห้าดับลงไปเท่านี้ก็จเจริญปัญญาได้แล้วถ้าว่าต้องอาศัยฌานสมาบัติทั้งหมดแล้วจเจริญวิปัสสนาจึงจะบรรลุมรรคผลได้เช่นนี้นั่นคงจะมีผู้บรรลุมรรคผลน้อย ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าพุทธศาสานาของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดก็เหมือนกันเนี่ยทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนไปในทางกสิ น, นชาญต่างๆพวกนี้มีน้อยเพราะความสามารถไม่เพียงพอมาแต่ในชาติก่อนหนนหลังนู่นก็เหมือนกันแหละ ไหวพระภาวนาก็เพียงแค่ทำใจสงบเป็นอุปจารสมาธินี่แหละเป็นส่วนมากที่ได้บรรลุถึงอัปปนาสมาธินั้นมีน้อยอัปปนาสมาธินี่หมายถึงฌานนั่นแหละมเมื่อเพ่งเข้าไปหนัหนกเข้าก็บรรลุรูปฌาน ี่อารมประชานสี่เข้าไปแล้วก็เจริญวิปัสนาท่านผู้เช่นนี้แหละเมื่อละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานไปได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชเป็นอย่างนั้น ผู้ที่ไม่สามารถจะทาฌานให้เกิดได้ก็ต้องพยายามทาสมาธิให้เกิดให้ได้อุปจาระสมาธิแปลว่าสมาธิเฉียดเข้าไปหาฌานคาว่าอุปจาระสมาธินี่มันใกล้เข้าไปแต่วันยังไม่ได้บรรลุถึงฌานแต่ก็ยังว่าได้รับความสงบพอสมควรทีเดียวอ่ะ พอที่จะเจริญวิปัสนาได้อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเพ่งเข้าไปภายในให้มันสงบรั ง, งับลงมันถึงจะละนิวรได้นิวรณ์นนดนธรรมอันนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อของบาปเมื่อบุคคลใดละไม่ได้ รอยให้มันครอบงำจิตใจไปอยู่นี่มันก็กลายเป็นกิเลสหยาบไปเช่นการมามฉันทาเนี่ยความพอใจรักใคร่ในกามคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆบุคคลใดระ ง, งับความรักความใคร่อันนี้ไม่ได้ บวชอยู่ก็บวชอยู่ไม่ได้ถ้าไปเป็นครือขัดอย่างนี้ไม่ระงับความรักควมใครอันนี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้เสียเลยอันนี้มันก็เป็นคนเจ้าชู้แล้วมําเพนเป็นคนเจ้าชู้ไปผู้หญิงก็เป็นคนเจ้าชู้ ผู้ชายผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้ผู้หญิงไปผูกพันกับผู้หญิงไม่เลือกว่าเมียใครผู้ผู้หญิงก็เหมือนกันก็ไม่เลือกว่าจะเป็นโสตหรือเป็นสามีเป็นสามีของใครก็ไม่ว่าว่าแต่ได้สัมผัสกับความรักความใครอ่อ น, นันแล้วเป็นพอใจ จะบาปกรรมอะไรก็ไม่ว่ายอมรับเอาเ ห, มอหมดหมดนี่แหละความรักความใคร่มั น, นทำให้คนเราตาบอดไม่ใช่ตาบอดตานอกตาใจนุ่นบอดมองไม่เห็นทางออกจากทุกเดินเข้าไปหาทุกขเพราะฉะนั้นแี่ยให้พึงพากันพิจารณาหเห็นโทษ แห่งความรักความใครน่นี้อย่าไปส่งเสริมมันต้องกำหนดละมันเลื่อยไปเมื่อเรากำหนดละมันแล้วมันค่อยดับไปแหละแต่ถ้าเราส่งเสริมมันแล้วมันมีแต่มากขึ้นโดยลำดับทำอย่างไรส่งเสริมมันก็เมื่อรูปสัญญาความจำหมายในรูป ที่มองเห็นด้วยตาที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็เอามาจำไว้ในใจปัจจุบันนี่แลก็มาวิตกวีจาร์ดู ว, ว่ารูปนี่สวยอย่างนั้นงามอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้มาวิตกวีจาร์อย่างนี้เท่าไรความกำนัดยินดีมันก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นนะนี่ยนะมันเป็นเหตุได้ ไ, ด ไ, ดไปทำบาปเพราะความรักความใคร่อันนั้นแหละ ไม่ว่าครือหัดไม่ว่านักบวชถ้าไม่กำจัดไม่ละมันให้เบาบา ง, งไปเสียเลยนะั่นมันไม่ได้พายทำบาปจริงๆนะพยาบาทความจองเวรกันความผูกใจเจ็บต่อกันและกันอันนี้มันก็ทำใจของเราให้พุ่งซ่านสงบลงไม่ได้ พอนึกถึงคนที่ตนเกลียดมาแล้วก็เอาแล้วคุณขึ้นมาเลยภายในใจ น, นนะเพราะมันยึดถือเอาไว้นี่พิตกวิจารณวางแผนแก้แค้นต่างๆนา น, นาไปเรื่อยเปื่อยไปยงั้นนะ่องนั้นเลยใจยังสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้โตพิจนารณาให้เห็นโทษแห่ง ความพยาบาทความโกรธความพยาบาทนี่มันก็มาจากความโกรธนั่นแหละความโกรธนี่คือความหงุดหงิดความไม่พอใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้ในปัจจุบันที่ได้ปทะทะขารมซึ่งกันและกันหลังจากเลิกจากนั้นไปแล้วมันก็ผูกใจเจ็บไว้ เอาละทีหลังต่อไปแล้วเราจะแก้แค้นให้ได้ผูกใจเจ็บไว้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพยาบาทเมื่อได้โอกาสลงไปก็ประหัสประหารกันลงเช่นนี้เลยความโกรธอันนี้เมื่อไม่ละแล้วมันก็กลายเป็นความพยาบาทเป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมา มันเป็นอย่างนั้นอันนี้วรณธรรมอันนี้นะให้พึ่งพากันพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงอ่ะความโกรธมันมีมากน้อยเพียงใดอยู่ในใจนี่หรือมันไม่มีทุกคนต้องรู้แหละรู้เรื่องของตัวเองอัาเมื่อรู้ว่ายังมีอยู่แต่ไม่มากก็อย่าไปนอนใจ นึกว่ามีอยู่เล็กน้อยไม่เป็นไรคงไม่รุนแรงอะไรหรอกเข้าใจพิษแบบนั้นนะไฟนั่นแหละอืไฟนั้ น, ม, น, นมันมีลูกไฟเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละแต่ถ้ามีมันไปตกลงหญ้าแห้งหรือขี้ฝอยอะไรก็ตามเลย มันก็ลุกเป็นไฟขึ้นได้มันได้เชื้อสามารถไม่บ้านไม่เมืองได้ทีเดียวแล้วอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเน่ยความโกรธแม้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อไม่ระ ง, งับมั น, เ, นเวลามันได้เชื้อมาแล้วมันก็ลุกโผลงขึ้นมันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปจนกลายเป็นพยาบาทดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ ดังนั้นน่ะทุกคนอย่าไปเลี้ยงเหมือนไว้ต้องจเจริญเมตตาเสมอเสมอเมตตาธรรมนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะกำจัดความโกรธความพยาบาทนั่นให้ถอนออกไปจา ก, ก จ, จิตใจเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นไอความโกรธความไม่บาทมันก็ระ ง, งับไปในขณะเดียวกันนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไประ ง, งับในเวลาอื่นนู่นไม่ใช่เพราจิตคิดเมตตาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขึ้นมาในใจน้อมใจไปเพื่อปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้ากันอย่างนี้ไอความโกรธข้อไม่สบายมันก็ระ ง, งับตรงมเมื่อใจน้อมไปในทางเมตตาแล้วนะ นันเพราะฉะนั้นทุกคนให้ทำกระทำภายในใจนุ่นนึกภายในใจไม่ใช่ว่าจำเอาตัวหนังสือไว้คาว่าเมตตาเมตตาเท่านั้นนี่ไม่ใช่ต้องนึกเป็นภาษาของตัวเองนี่แหละนึกให้ตัวเองได้รู้รู้ว่าตนนั้นไม่ได้จองเวรใครไม่ได้เกลียดชังใคร แม้ว่าใครจะมาเป็นศัตรูตนตนก็อาโหสิกรรมให้หมดจะไม่ถือมั่นไว้จะไม่คิดโต้ตอบเอออย่างนี้นะการนึกคิดอย่างนี้นะท่นววานเรียกว่าเจริญเมตตารู้จักให้อภัยแก่คนผู้พิดในการที่ไปไปเมตตาจนถึงคนดีๆกันอยากจะให้คนดีๆนั้นมีความสุขความจเจริญ จะต้องการให้คนชั่ว น, ะนั้นพินาศสิ้นหายลงออย่างนี้มันไม่ใช่เมตตาไม่จัดเป็นเมตตาในพระพุทธศาสานานี่แต่เมตตาในรัฐที่อื่นนั้นอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอามาพารนาดอกเพราะเรื่องของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำไปตามความเห็นของเขานั่นแหละแต่ว่าสำหรับ ชาวพุทธเรานั้นต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาลักที่อื่นมาแทรกนั่นชื่อว่าเป็นคนโลเลไม่มั่นใจในศาสนาของนตนก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แหละคนเราถ้ามีสองกิตสามใจแล้ว ใจเราต้องดิ่งลงสู่เมตตาธรรมกรุณาธรรมให้มันมากๆเท่าใดยิ่งดีเลยทีเดียวความโกรธความพยาบามบต่างๆนี้มันจะได้เบาบางไปเมื่อความรักความใคร่หรือความโกรธความพยาบามบตอนนี้มันระ ง, งับดับไปนี่จิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ มันก็ไม่มีอะไรมารบกวนนอกจากความหลงแ่ละความหลงนี่มันรวมกันความง่วงเมาเหายนอนความฟุ้งซ่านลำคาญใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หรือตลอดถึงมรรคผลนิพพานสามอย่างนี้ท่านจัดเข้าในโมหะคือความหลง <c oughs> ให้พึ่งพากันเข้าใจเอาความง่วงเหงาหานอนก็จัดจัดเป็นความหลงได้หรือจัดได้สิเพราะว่าผู้นั้นไม่มีสติไม่เพ่งปล่อยใจให้ความง่วงเหงาหานอนครอบงำไปเลย เดว่าน้อมไปในทางง่วงทางเหงาไปนั่นท่านเดียววันหลงน่ะหลงไปตามสังขารน่ะสังขารร่างกายอันนี้มันหากเป็นไปอย่างนั้นตามเรื่องของมันเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็สะกดจิตตัวเองไว้เอาสติเข้าไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไม่โอนเอ็งไปตามร่างกาย เช่นนี้แล้วความง่วงก็ครอบงาจิตไม่ได้เมื่อมันครอบงาจิตไม่ได้มันก็ครอบงากายไม่ได้เหมือนกันนะมันก็เพิกไปถอนไปเป็นอย่างนันบุคคลผู้หลงแหละถึงได้คิดอะไรต่ออะไรไม่ยุติลงได้ใจไม่สงบพอจะนึกถึงเรื่องอะไรก็ วิจารณเรื่องนั้นไปเรื่อยเปื่อยไปทิ้งเรื่องนั้นไปคว้าเอาเรื่องอื่นวิตกวิจารณเรื่อยไปบางทีก็ดีใจไปตามความคิดอันนั้นบางทีก็เกิดเสียใจขึ้นมาเมื่อคิดไปในเรื่องที่ผิดหวังอะไรต่ออะไรมาเกิดเสียใจขึ้นมาแล้วคนมีจิตรุ่งสั้นนี่ เลยเลยไม่รู้ความจริงอะไรต่ออะไรทางผิดทางถูกอะไรไม่รู้เลยคนมีจิตฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนั้นนะเอา้าวกลัวดูจิตใจของใครของเราสิเมื่อใจเรามันฟุ้งซ่านอย่างนั้นจริงเหรือเมื่อรู้ว่ามันฟุ้งซ่านอย่างไรก็รีบระงับที่รีบจเจริญอนาปาเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไป ไม่มีกรรมฐานอื่นได้ละที่จะมาระงับความพุ่งซ่านแห่งกิตนี้ได้เหมือนอย่างอนาปานสติเนี่ยตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่ต้องไปนึกคิดถึงเรื่องอื่นอธิฐานใจมั่นลงอย่างนี้แล้วพยายาม น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตนั้นให้กําหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นมันก็ไม่ได้โอกาสคิดไปภายนอกนะบะนีสติมันควบคุมจิตให้กําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะนี่แหละวิธีระงับจิตฟุ้งซ่านจําไว้ให้ดีผู้ใดก็ดี เมื่อเผลอๆไปแล้วจิตฟุ้งซ่านระงับยังไงก็ไม่อยู่แล้วก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าไปนะตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปทันทีเลยทำไม่ท้อไม่ถอยแล้าไปจิตมันยึดลมหายใจเข้าออกได้แล้วมันก็ไม่คิดแล้วแบบนี้นะไม่ฟุ้งไปทางอื่นแล้ว มันก็ค่อยสงบลงแล้วเมื่ออารมณ์ภายนอกดับออกไปจากจิตใจนี้แล้วมันก็ค่อยสงบลงไปโดยลําดับเมื่อมันคลายอารมณ์ภายนอกออกหมดจิตนี้มันก็รวมลงได้เลยอืมมันเคลื่ไปเหมือนกับคนจะเคลื่อหลับนี่แต่ไม่หลับพรอมันเคลื่อลงไปอย่างนี้แล้วมันก็นิ่งพร้อมด้วยสติ ไม่ได้หมายอะไรบารีไม่ได้หมายในเรื่องอดีตอนาคตอะไรไม่มีวิตกวิจารณ์เาะวิตกวิจารณ์นี่มันเริ่มตั้งแต่นึกคิดถึงลมหายใจเข้าหายใจออกพี่วิจาร์ก็วิจารณ์ลมเข้าลมออกไปว่าลมนี่เข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายอะไร การนึกคิดอย่างนี้ทานยววิจารณ์เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นจิตตัวเองก็หยุดลงไปมันก็เกิดปีติขึ้นสินั่นไงเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแล้วพอใจมันสงบจากอารมณ์ภายนอกแล้วมันมันสบายนี่นั่นไงมันยังเกิดปีติขึ้น เมื่อคมปีติอันนั้นไว้ได้ใจรวมลงสงบลงไปหนึ่งก็เป็นสุขสบายแบบนี้นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอย่างอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขมันมีอยู่หลายประเภทนะ หาเงินหาทองค้าขายมีกำไรขึ้นมาก็สบายใจไปพักหนึ่งรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำารันก็สบายใจนี่นอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็สบายใจสบายกายหญิงหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวรักใคร่กันแต่งงานกันไปก็เป็นความสุขอันหนึง่ง อ, อย่างนี้เลยอ้าวบุคคลผู้ศึกษา เ, าเรียนฝึกฝนอบรมตนไปจนเกิดความรู้ความฉลาดทำดิบทำดีได้ทำราชการงานเมืองได้ดบได้ดีก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศขึ้นไปเป็นทาหารเป็นตำรวจก็ได้ไปเป็นนายพลนายจอมพลขึ้นไป ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึง่งหลายหลายอย่างพูดถึงความสุขมีอยู่หลายประเภททีเดียวแหละแต่แล้วเมื่อเอาความสุขเหล่านั้นมาเทียบกับความสุขอันเกิดจากความสงบใจโดยไม่ต้องยิงอาศัยเรื่องสางๆดังกล่าวมานั่นนะ สู้ความสุขอันเกิดจากความสงบใจนี่ไม่ได้มาเขาามาอย่างนั้นนันความสุขอย่างว่านั้นก็จริงอยู่รับรองกันว่าเป็นสุขจริงแหละแต่ว่ามันสุขชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนเส้นหาเงินได้มาเวลามีเงินทองใช้ใจนั้นก็เป็นสุขสบายดีทั้นพอเงินนั้นหมดความสุขนั้นก็หาย ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน เ, ออเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีอย่างนี้ลนะความสุขมันมีอยู่สองประเภทสามอีกซ้้าเป็นไรสามอย่างหนึ่งท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหา สุขอันเกิดจากสมาธินี่มันก็ยังมีเจืออยู่ด้วยกิเลสเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ากิเลสมันละเอียดเข้าไปเท่านั้นเองแหละอะด้วยอํานาจแห่งสมาธิมันก็คมกิเลสอันนั้นไว้ให้กําเริบขึ้นมาไม่ได้อมันถึงได้เป็นมีความสุขนั่นแหละทีนี้เมื่อมาเมื่อ ปัญญามันบังเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เนะี่ยมันจึงจะมองเห็นกิเลสส่วนละเอียดนั้นเพียรพยายามเพ่งให้เห็นกิเลสอันละเอียดนั้นเข้าไปเพ่งเห็นแล้วละพร้อม อ, อาศัยการเพ่งนะบะ น, นี้นะมันถึงขั้นวิปัตนาญาณ น, นี่ต้องเพ่งพินิเนี่ไม่ได้ใช้ความคิดห ย, ยาบหยาบเหมือนอย่าง เบื้องต้นมาเมื่อมันละเอียดเข้าไปแล้วเพ่งพินิษอยู่ในจิตนู้นมันก็รู้ได้อะไรเป็นอะไรมันก็รู้ไม่จะเป็นต้องค่กใช้ความคิดห ย, ยาบๆก็ได้นั่นแหละผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองแหละเรื่องอย่างนี้นะ่ะผู้ใดทำอย่างเข้าไปยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้เป็นอย่างนั้น นั้นต้องเพียนพยายามเพ่งเข้าไปกรรมฐานทุกอย่างมันต้องอาศัยการเพ่งทั้งนั้นเลยไม่เพ่งแล้วกรรมฐานนั้นจะไม่แก่มแจ้งในใจต้องเพ่งไม่ถึงไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ อย่างเพ่งอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะนี่แหละก็เพ่งเข้าไปภายในนี่เราจะเพ่งดูอวัยวะร่างกายภายในนี่อย่างไรส่วนไหนเราก็นึกเส้นสมมุติว่าอยากจะเพ่งดูกระเพาะอาหารอย่างนี้นะนึกอย่างนี้เพ่งเข้าไป กระเพาะอาหารก็ปรากฏอย่างนี้เลยแล้วธรรมดากระเพาะอาหารนี่มันก็ต้องมีผังผืดทุ่มอยู่ภายนอกนั่นนะวันี้ภายในนั่นเพ่งเข้าไปภายในกระเพาะมีอะไรมีมีอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่นั่นนะอันนะี้เมื่อเพ่งดูเข้าไป มันจะเห็นว่าอาหารต่างๆที่รับประทานเข้าไปนั้นมันก็ไปเน่าไปบูดอยู่ในกระเพาะในลำไส้นั่นเองแต่อาศัยฝังผืดนั้นปกปิดไว้ทั้งทางข้างบนและข้างล่างจึงไม่ส่งกลิ่นออกมาจึงไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาอย่างเต็มที่ แต่เมื่อมันได้กลั่นกองมันได้ย่อยกันไปแล้ววะนี้มันจึงบางทีก็ระบายลมออกมามันจึงมีกลิ่นเ่ยอย่างนั้นถ้าบุคคลท้องเสียวะเนี่ยอบุคคลท้องเสียมธาตุทั้งสี่มันไม่ค่อยปองรองสามัคคีกันมันอ่อนอันใดหนึ่งอ่อนธาตุไฟอย่างนี้มันมันย่อยอาหารไม่ละเอียด มันก็เกิดท้องขึ้นท้องเฟอ้อแล้วระบายลมออกมาก็รู้สึกว่ากลิ่นฉุนมากทีเดียวอะกลิ่นเหม็นมากผุ่งง่ายๆเยหมูเนี่ยเมื่อเพ่งเข้าไปในกระเพาะอาหารอาหารเก่าอาหารใหม่เข้าไปแล้วเราจะได้เห็นว่าร่างกายอันนี้เนะี่ยมัน ไม่ใช่ว่าสะอาดสดสวยอะไรเลยภายในมีแต่ของเน่าของเหม็นอยู่ในนั้นอาศัยพังผืดอาศัยหนังหมูีิตางหากหุ้มไว้มันถึงไม่ส่งกลิ่นออกมาเท่านั้นเองและอาศัยการรักษาความสะอาดมูนีอาบน้ำถูสบูอแปลงพันอะไรพวกนี้ เพื่อชำระของเก่าอาหารเก่าที่ไปธาตุย่อยแล้วมันก็มันก็ซึมซาบออกมาทางทวานปากบ้างทวารหูบ้างทางจมูกบ้างอย่างนี้แหละแล้วออกมาจากตามขุมขนมู่เนี่ย ออกมาเป็นเหงือเป็นไข่ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะมันระบายออกมาหมดนี่มันก็ถึงพอประทังประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะเป็นเหงือเป็นไข่ออกมาถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างขัดถู ก, ก็ทรงกลิ่นเหม็นออกไปเลย ไอ้เท่มันไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปนี่ก็เพราะว่าอาบน้ําวันละสองครั้งสามครั้งก็มีปานนั่นแหละมันจึงไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปร่างกายอันนี้นะนี่เราต้องเพ่งดูเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเพ่งดูเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นชัดแท้ๆเลยอ่าไม่มีไม่มีเผิดแหละ เห็นอย่างไรก็เห็นตรงไปตามความเป็นจริงเลยบัด น, นี้มันก็เกิดนิพพิทาคามเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจเมื่ออสุภนิมิตนั่นมาปรากฏในมโนทวารแล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันประมาทให้พากันเพ่งดูความจริงของร่างกายนี่บุคคล มัวมอประมาทไม่เพียนเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่แหละเหมือนถึงได้หลงรักหลงชังหลงโกรธพยาบาทกันเบียดเบียนกันจองกรรมจองเวรกันอยู่ในโลกสันิบาสอันนี้ไม่จบไม่สิน้นได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่จะเป็นคารืหายก็ตามนักบวชก็ช่งนะก็ต้องเจริญกรรมฐานอันเดียวกันนี่แหละ ถ้าเป็นเคืองหัดมันก็จะบรรเทาความรักความใคร่อันนี้ลงไปไม่ถึงกับไปทำบาปเพราะความรักอันนี้และไม่ถึงกับไปทำบาปเพราะความโกรธไม่กลายเป็นพยาบาทถึงแม้จะละความโกรธอันนั้นยังไม่ขาดแต่ก็ขอให้บรรเทาความพยาบาทลงไปมันจะไม่ได้ทำบาป ผู้เป็นเครือข่าก็อย่าไปกลัวตั้งแต่ความรักความใคร่มันจะหายไปนะมันจะไม่สนุกสนานเอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นส่วนมากนะมันเกินความรักความใคร่ของคนเรานี่นะ่ะมันเกินขอบเขตเมื่อมันเกินขอบเขตแล้วมันทําให้คนเราไปทําบาปบางคนก็กลายเป็นนักเกลงเจ้าชู้ เลยไม่ละเลยหน้าที่การงานไปงานพ่อบ้านมีอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่เอาใจใส่เลยว่าแต่พอมีเงินมีทองมาใช้ใจเท่านั้นแล้วก็เที่ยวเตร่สเสแวงหาความสนุกตานั้นรำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีสีสีเป่า ที่ไหนไปที่นั้นเสพาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้นนี่บุคคลผู้ที่รู้อำนาจแกราคะตันหาแล้วนีแต่มัวเมาเพลิดเพลินไปในของที่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนนั่นแหละเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูป อันสุกก็ปกโสมมมดังกล่าวมานี่ฮเสียงกลิ่นรสต่างๆก็อาศัยรูปนี้เมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงแล้วเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเหล่นั้นมันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็ต้องเพ่งพิจารณาอย่างนี้แหละกระจายความจริงของร่างกายสังขารอันนี้ออกไป มันจะได้เห็นว่าอัตภาพร่างกายอันนี้ทั้งไม่สวยไม่งามทั้งสกปรกโสกโครกด้วยทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยทั้งไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตนด้วยมันเห็นไตรลักษณะอันนี้ปรากฏขึ้นในใจได้เลยแบ น, นี้นั่นแหละสมถะมันเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสนาญาณ เมื่อควบคุมใจระ ง, งับนิวรณ์ห้าในลงได้แล้วใจนิ่งลงไปแล้วมันก็เพ่งดูอัจภาพร่างกายนี่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้นะเพ่งส่วนรูปเห็นแล้วก็มาเพ่งส่วนนามธาทมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละสัมผัสกันนะ ให้เกิดนามมาธรรมทั้งสีนี้ขึ้นมาเมื <c> ่ <oughs> อบุคคลมาเพ่งดูสัมผัสอันนี้รู้แจ้งในสัมผัสอันนี้แล้วก็รู้แจ้งนามมาธรรมทั้งสี่นั่นแหละอย่างเช่นทุกขเวสนาอย่างนี้นะลองสังเกตดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละอันที่ว่ามันได้รับความทุกขทนทรมาน ต่างๆที่ว่ากันมาหมดนั้นก็เพราะหายใจเข้ามันก็ฟืดหายใจออกมาก็ฟืดความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปจากปกติเลยอย่างนี้นี่หละทุกขเวทนาเราเพ่งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็รู้ได้เลยสัญญาความจำหมายก็จำทุกจาความเจ็บความปวด จำความร้อนความหนาวอะไรหมูนี้แหละสังขารมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเจ็บหนอปวดหนอะอย่าง น, นี้นะร้อนมากหนออ่อนเพลียหนาสังขารเนี่ยมันก็วิตกวิจารขึ้นมาอย่างนี้วิญญาณก็รู้สัมผัสอันนั้นรู้ว่าแหมเวลานี้ร้อนมากเวลานี่เจ็บมาก รู้สึกเจ็บมากปวดมาก อ, มอ่อนเพลียมากก็อาศัยวิญญาณแหละรู้ทั่วกายอันนี้นะออย่างนี้เราเพ่งนามธรรมาเพ่งอยู่ที่เดียวนั่นแนหะมันก็รู้หมดทั้งสี่เลยมไม่ต้องเพ่งไปไกลอะไรหรอกเพ่งอยู่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นนะมันก็รู้แจ้งเลยนามธรรมาอันนั้นนะ รู้ลักษณะอาการของมันอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วทำยังไงวะนี่ก็เมื่อรู้แล้วก็ถามใจตัวเองนะนามธรรมเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงทำไมถึงว่าไม่เที่ยงก็มันเกิดแล้วดับไปนี่ไม่มีอะไรคงที่อยู่สักอย่างเดียว ไอ้ความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะหมอเขาวางยาไปเมื่อยามันสามารถขับไล่อาพาตนั้นออกไปจากร่างกายนี้ได้ความกระวนกระวายของร่างกายมันก็ระ ง, งับลงมานี้ทุกขเวทนามันก็ดับไปตามกันนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันอนะ ดังนั้นความทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงอยู่ตลอดไปมันก็ระ ง, งับไปได้แล้วมันก็กลายมาเป็นความสุขไปความจําก็จําสุขจําทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนะหรือว่าจํารูปเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆมโอนีิการที่เราจะรู้ว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ก็สัญญานะนะั่นแหละไปเที่ยวจำเอามาไว้ในใจนี่ กลิ่นเหม็นกินหอมรสอร่อยหรือไม่อร่อยอเย็น uh, หรือว่าร้อนอ่อนหรือแข็งอะไรหมดนี่มันก็อาศัยนามมาทําทั้งหมดทั้งสี่นี่แหละประกอบกันเข้ามันถึงได้เกิดความรู้สึก อ, อาการต่างๆดังกล่าวมานั้น mm hmm. รวมความลงแล้วเรียกว่าทุกอย่างเดียวนั่นแหละแบบ น, นี้นะ ขันดังห้าเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่เที่ยงนามธรรมาก็ไม่เที่ยงรูปธรรมนี่ก็ไม่เที่ยงมันแปรผันวันไวอยู่อย่างนั้นมันจึงท่านจึงเรียกว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากคือรูปกับนามอันนี้มันทนอยู่นิ่งนิ่งไม่ได้เลย มันมีแต่แปรผันวันไหวอยู่อย่างนั้นวันไหวไปวันไว้มามันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันลงแล้วมันก็หยุดนิ่งเนี่ยบันนี้นะหยุดนิ่งทกสิ่งทุกอย่างแม้ลมหายใจเข้าออกก็หยุดนิ่งลงไปเลยดวงจิตนี่ก็อาศัยร่างอันนี้อยู่ไม่ได้แล้วบันนี้นะ มันก็ต้องไปตามกรรมเลยวแบนี้นะผู้ใดทํากรรมมันใดไว้กรรมมั น, นั่นแหละมารอรับเอาดวงกิจนี้ไปนี่พูดถึงดวงกิจสําหรับผู้ที่ยังละอุปท า, านนี้ไม่ได้นะอมันก็ยึดเอากรรมดีกำรรชั่วใส่ดวงกิจนี้ไว้อะกำดีกรำชั่วนี่นะก็รอเวลาแต่กรรมเก่ามันจะหมดลงเท่านั้นแหละ เมื่อกรรมเก่ามันหมดลงเมื่อไดกรรมใหม่นี้มันก็สวมต่อแล้ววันนี้ถ้าเป็นบาปก็ท่านใช้สำนวนว่าฉุดคล้าเอาดวงกิดนี้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกวนันนี้เป็นสัตว์เปรตเป็นสัตว์อสุรกายเป็นสัตว์เดรชิชันตามกำลังของบาปกรรมแต่ละบุคคลกระทาจะพึ่งอำนวยผลให้ ไปเกิดในรูปร่างอย่างไรมันก็ได้รูปร่างอย่างนั้นแหละอาศัยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นยึดเอาบุญกุศลไว้ได้ในเวลาจวนจะตายมานันนี้พอบุญเก่านั้นหมดลงบุญใหม่กระรองรับอารวงกิจนี้ไปไปตกแต่งรูปร่างอันสวยสดงดงามให้ได้ ให้ดวงกิจนี้ได้อาศัยที่ท่านเรียกว่ารูปร่างเทวดาอินพรหมนั้นแหละนั่นเรียกว่ารูปร่างอันประณีตสวยงามด้วยอำนาจบุญกุศลตกแต่งให้แล้วก็ตกแต่งที่อยู่ที่อาศัยให้ได้อยู่อาศัยอย่างสบายสะดวกแต่ว่า ด้วยอำนาจของวิพัฒนาญาณเมื่อพิจารณาไปอย่างนั้นแทนที่จะไปยินดีอยากจะไปเกิดเป็นเท ว, เทวดาก็ไม่หรอกคนมีปัญญานะี่เพื่อนจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าแม้แต่เทวดาหรือว่าบุญกุศลที่ทํานั้นมันตกแต่งความสุขความเจริญให้อย่างนั้นมันก็มีขอบเขตอีกเส้นเดียวกันเมื่อหมดเขตของบุญนั้นแล้ว ดวงกีดดวงนี้จะอาศัยรูปนั้นต่อไปอีกไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนจากรูปนั้นรูปนั้นก็ต้องดับไปเมื่อเพ่งพินาดูด้วยปัญญาแล้วก็จะได้เกิดดิพิธาเบื่อหน่ายในความเกิดนี้เลื่อยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องการเจริญวิปทานานี้นะเมื่อเราเพ่ง เห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตนี่แจ่มแจ้งเข้าไปเท่าใดมันก็ยิ่งเบื่อหน่ายไปเท่านั้นจิตใจก็คลายความยินดีพอใจในรูปในนามนี่ไปเรื่อยๆอคลายความยินดีนร้ายนะเวลาร่างกายอันนี้มันปกติ ด, ดีมีกำลังเรียวแรงดีก็ไม่เพิดเพลินไม่หลงละเลงว่าตนนั่น แข็งแรงดีมันกำหนดรู้อยู่แล้วว่าถึงมันจะแข็งแรงดีมันก็ไปชั่วคราวเท่านั้นแหละต่อไปมันก็ทารุดลงเนี่ยนี่มันรู้พร้อมเลยเหตุนั้นมันถึงไม่ดีใจกับการได้อัตภาพร่างกายแข็งแรงอย่างว่านั้นเวลาร่างกายนี่มันทารุดทุดโทมลงเส้นนี้นี่มันก็ไม่เสียใจ เพราะอะไรจึงไม่เสียใจก็เพราะว่ามันได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แนนอนของร่างกายนี้เสมอมาโดยลำดับแล้วมันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่ารูปร่างอันนี้นะ่ะมันแปรผันวันไวไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แต่เมื่อบุญกุศลยังบุญเก่าที่ทามาแต่ชาติก่อนนะมันยังอุปถัมภ์บรุงอยู่ มันก็ยังไม่แปลปวนอย่างรุนแรงให้ปรากฏชัดมันค่อยชารุดไปทีละน้อยละน้อยไปคนผู้ไม่สังเกตด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายอันนี้มันเที่ยงไปแหละมันไม่เป็นไรอะอย่างเช่นคนหนุ่มคนสาวอย่างนี้นะลืมตัวว่าตัวนั้นแข็งแรงตัวนั้นไม่เป็นไรออื แต่ที่แท้แล้วมันชำรุดไปเรื่อยๆมันค่อยเสื่อมไปค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆร่างกายอันนี้นะมันจเจริญตั้งแต่เวลาเกิดมาใหม่ๆแล้วมาถึงอายุระหว่างสามสิบปีสี่สิบปีระหว่างนี้แหละขันพอเลยนั้นไปแล้วร่างกายอันนี้ก็มีแต่สุดโทมลงไปเรื่อยๆ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็มองเห็นแล้วว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันร่อยหลอไปแล้วก็จึงไม่ประมาทอะไรนี้นะเจ็นได้สร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีอะไรใส่ตนของตนไว้เท่าที่จะทำได้นี่พูดถึงทำความดีด้วยกายด้วยวาจา มันี่ทำความดีทางใจก็เจริญสมาธิเจริญปัญญานี่ไม่ประมาทไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าบุคคลผู้บาเพ็ญบุญกุศลมาโดยลำดับนี่มันรู้ตัวนี่รู้ตัวว่าถ้าเวลาจวนจะตายหักไปลืมตัวนึกอะไรไม่ได้ความรู้จริงก็หายอย่างนี้มันก็ไปสู่ทุกขติเลย เมื่อตายลงก็รู้ตัวนะก็ออรู้ตัวอย่างนี้ถึงไม่ประมาทวะนี้ภาวนาเพ่งพิจารณาขันห้านี้ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้น เ, ออเมื่อบุคคลทำความเพียรอย่างนี้ไม่ประมาทไม่แน่นะบางทีก็อาจบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก่อนตายก็มี หรือเวลาชวนจะตายนะสามารถบรรลุมรรคผลได้ก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อผูใ้ใดได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งตั้งอกตั้งใจลงไปทำความเพียรลงไปอย่าไปอ้างโน้อนอ้างนี้เพราะว่าร่างกายมีอยู่ ใจมีอยู่ไม่ควรจะไปอ้างอุปสรรคขัดข้องอะไรต่ออะไรมันขัดข้องอะไรเราก็ละมันปรงมันวางมันลงนะจนมันไม่ขัดข้องแล้วมันก็ภาวนาได้ฮอมันไปอย่างนั้นนะธรรมดาคนมีปัญญาเนี่ยจะไม่ยอมจนกรอกง่ายๆนะแก้ไขอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไปเรื่อยๆ ตัวเฉพาะก็มาแก้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ภายในหัวใจนี่สอนใจให้ละความยึดมั่นมันยึดมั่นสิ่งใดก็สอนให้มันละความยึดมั่นในสิ่งนั้นจะไปยึดไว้ทำไมของไม่เที่ยงตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังอวัยวะน้อยใหญ่ทุกชิ้นนี่นะจะเอาไปด้วยได้เหรือ เอาไม่ได้นี่อย่าว่าแต่เงินทองเลยร่างกายอันนี้ซึ่งดวงกิจอาศัยอยู่ใกล้ชิดนี่แท้ๆนะยังไม่สามารถที่จะบังคับให้มันยั่งยืนอยู่ได้แล้วยังไม่สามารถจะเอาติดตัวไปสู่โลกหน้าได้สาอะไรเงินทองเข้าของภายนอกนั้นมันจะติดตัวไปไม่มี นี่การที่เราใช้อบายสอนใจไปบ่อยๆอย่างนี้นะมันยิ่งทาให้เกิดนิพิทาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ต้องคลายความกาหนัดยินดีนั่นแหละมันก็ค่อยคลายออกไปทีละน้อยละน้อยหละถ้าเมื่ออินทรียังไม่แก่กล้าเต็มที่ได้นะเมื่อเราทาความเพียรเพ่งพิงพนิษไป สอนใจตัวเองไปมันก็ค่อยคลายออกไปเรื่อยๆอมันไปอย่างนั้นมันรู้ด้วยตนเองแหละเพราว่าจิตของตนมันคลายความยึดความถือในนามในรูปนี่ไปได้เท่าไหร่มันคลายความรักความใคร่ความเกลียดความชังอะไรหมดนี้นะออกไปเท่าไหร่มันก็รู้เองเนะ รู้ด้วยตนเองเนี่ยจะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้นี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอยู่ตรงที่ทำอย่างไรจิตนี้มันจะคลายความยึดความถือในโลกสานิวัติอันนี้ออกไปได้นี่แล้วก็บำเพ็ญไป หากเพียนพยายามเพ่งพินิษไปจนว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงของชีวิตนี้ตามเป็นจริงออชีวิตนี้พระศาสดาทรงสรุปลงเพียงแค่สี่อย่างเท่านั้นแหละออคือเพ่งพินิษให้เห็นว่า การที่จิตใจมายึดมั่นถือมั่นในขันหานี่เป็นทุกข์จริงๆนี่แล้วก็มาเห็นลงไปว่าตัณหาคือความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเลยควรละความอยากอันนี้ก็จิต ใจเห็นแจ้งอย่างนี้ก็เพียรละมันอย่างว่านั่นเนี่ยละความอยากอันนี้ให้มันเบาไปเรื่อยๆจนกวามันจะหมดสิ้นแล้วก็เห็นลงไปว่าเมื่อละความอยากอันนี้ให้หมดสิ้นไปแล้วทุกใจนี้ก็ดับลงไม่มีเหลือละถ้าความอยากนี่ยังมีอยู่เท่าไหร่ทุกใจนี้ก็มีอยู่เท่านั้นนี่มันจะเห็นจริงในชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้ แล้วก็จะมองเห็นว่าข้อปฏิบัติต่างๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนนั่นนะถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่ศีล ส, สมาธิปัญญานี่บุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัด สามารถปฏิบัติตามได้โดยแท้จริงดังกล่าวมา